ก็ไม่ใช่อื่นกายก็ได้แก่รูกกับนามนี้พระลูกกับ น, นาม น, นี่แหละกระทบกันเขา้าจึงเป็นเหตุให้ตื่นพิเรศเช่นตาเห็นรูป เ, เ, เกิดความรู้สึกขึ้นเรียกว่าวิญญาณแล้วพอเกิดความรู้สึกขึ้นก็เกิดเวทนาคือสุขบ้างทุกข์บ้างเรียกว่าทุขเวทนาทุกขเวทนา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 เวทนาสัญญาทั้งขาเนียนเวทนาคือความเสวยสุขทุกข์ไม่ได้จับเป็นกิเลสยังไม่ทํามีตัวกิเลสขึ้นมาสุขก็จักเสวยสุขทุกข์ก็ทักเสวยทุกข์โอเปคขาก็ากทักได้โอเปคขาสัญญาคือความจํามันก็ไม่มีไม่ใช่กิเลสจําจริงต่างๆได้มันก็ทักได้ว่าจำสังขารคือความปรุงความแต่งก็เรื่องหน้าที่ของปรุงมัแต่งมันก็ไม่ใช่กิเลสอีก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 เกิดความรู้สึกขึ้นก่อนชักจะบอรู้สึกแล้วก็แล้วไปอันนี้ก่อนยังไม่ได้จัดเป็นตัวกิรลสอันนี้เพราะเกิดความรู้สึกขึ้นแล้วมันเกิดเวทนาแล้วค่ะนี้มีสุขมีทุกข์บ้างหรือเฉยๆบ้างก่งยังไมไ่จัดเป็นกิเลตโดยเฉพาะลองคิดดูสิค่ะนี้เรื่องที่อธิบายบรรยายมาทั้งหมด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 พระทธองค์ท่านพิจารณาเหตุอย่างนี้ว่าการอยู่ในโลกเรื่องตั้นหากขมหาตันนั้นพระุธองค์ ย, งยังยอมสละทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อสละและ้วเปิดทั้งทางไม่หาไม่ตันอนขาดนี้เปิดทั้งทางออกได้เหตุ น, นั้นว่ากิเลสมันเกิดตรงนี้เกิดที่ตรงตั้นหาออกจากไอเกิดจากเวทนานี้ เพราะเวทนาสุขมันก็ชอบใจแล้วก็อยากได้สุขนั้นต่อไปทุกไม่พอใจก็เลยไม่อยากเหลียวแลในเรื่องทุกข์เกิดโรมนักขัดแงเฉยๆก็โง่ซึมนี่ความคิดนึกรู้สึกโง่ซึมมีชิเลตมาเกิดตรงนี้ตอนนี้ไปพูดทั้งเรื่องชีเลตได้ยอะแยะตั้นหาแล้วก็เกิดอุปทาน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 อย่างที่พาทัศสตรวจฉันอยู่อยังโคเมกายโ่กายของเรานีนแร่บุษธังปาทัต ร, ราเบื้องบนแต่พูดเท่ามาอโทเกสตามอากาศอกาศดินไปผมลงไปตาจาพเปรียนโตมีอย่างมีหนังห้มงอยู่พื้นที่สุดรอบปูโรนาและประการศะ า, าสุจินโดเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประกาต่างๆก็ไล่ไปทีคารนี้เจตาโรมานะข า, าตาตโจไล่ไปตรงนี้ <c oughs> แล้ววนไนทั้งของปฏิกุลสกปรก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 จะเข้ามารับขันหาของเก่านั่นแหละรูกกำนามเมื่เก่า น, นแล้วก็เกิดอายตนะหรือตาหัวอยหมูดียงกายอายตนะอะไรก็เกิดพัฏสะแล้วก็เกิดเบธาขันหาอาไปทานไปยืดยาวนี่พูดถึงเรื่องเรื่องจิตอวิชชา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 มาเป็นเหมือนกับน้ําล้างเลือดแล้วก็ต่อแปรจะมามาเป็นคณะมาเป็นกอนเลือดมาเป็นเปสิกคือมาเป็นกุ่มมาเป็นประจัขาหาแหงอันนี้ว่าทั้งเรื่องปฏิสนธิจิตที่ว่าเกิดมันมาเอาธาตุที่มาเป็นตนเป็นตัวมาปั้นเป็นลูกมาเป็นก้อนเป็นกลุ่มขึ้นมา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 เมื่อเป็นปัจจข้าแห่ง่งข้อมูลบริบูรณ์ในเป็นตนเป็นตัวหมดทุกสิ่งทุกอย่างนะมันก็มีอสนาเท่นั้นเองมีไอสแาอาจจะมีพัฏสะคือถ้ามีตาแล้วก็เห็นมีลูกมีหูแล้วก็มีจมูกมีมีเสียงกระทบของเขาถ้าเกิดภัฏสะแล้วก็เกิดยินยานเออเกิดเวทนาคือความสุขความทุกข์แล้วก็เกิดอุปทาน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 อาวิชามีหลักอยู่อีกกว่าท่านแสดงว่าการมาพิชังตัณหาที่ในหางวิชาเกสังอธิบายเข้าหลักนั้นเองอ <c oughs> าวิชาเปรียบเหมือนกันนาตัณหาไอ้รามเปรียบเหมือนกับว่าพืชผลไม้ที่เราจะไปปลูกในนา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 ถ้าทำยังสองอย่างอยู่ตราบใดนี่ยังไปนนพ้นทุกเห็นนั้นการทำดีทั้งทวนจึงเรียกว่ายังเป็นตัวพืชผลยังเป็นตัวเม็ดอยู่ยังเป็นเม็ดเม็ดอยู่เมื่อไม่เม็ดก็จะต้องมีอย่างเนี่ยนะ <c oughs> <c oughs> เห็นนั้นตัววิชาตัวนี้นะ่ะจึงพยายามที่จะทำลายด้วยทีทีต่งางๆ ดังอธิบายมาถึงน่งธาตุจิตน้ำไฟลมเลือตกรหลตั้งแต่ขันหายสนะก็เพื่อทำลายเจวิชาตัวนี้เพื่อเข้าใจถึงจองวิชาตัวนี้พืชผลนั่นกรรมที่เราทำนั่นอ่ะมันมีครบหมดไหนนะผมมีมีพืชมีผลเน่ะเช่นว่าเม็ดทวีดินเราเห็นเม็ดทวดินน่เราจะเข้าใจว่าไม่มีดอกประเภทไหน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 ควัดรู้แล้วไม่อยู่นั้นก็มาเปรียบมันกับเรียนแล้วมันปฏิบัติรู้แล้วไม่ทําอันนี้เรียกว่าควัดแล้วไม่อยู่พวกหนึ่งนั้นไม่ควัดแต่อยู่ไปหาอยู่เรือรู้ขอ ง, งเขาท่านหลก็มาเปรียบมันก็พูไม่ได้เรียนศึกษาเกิจดจาตำหรับตำลาไม่ได้แต่ปฏิบัติถูกอันนี้ท่านเปรียบมันกับหนูที่ไม่ได้ควัดรู้แต่อยู่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 เราจะเป็นหนูจำพวกใดเราไม่ควไมายอยู่หรือหรือว่าจะควดแล้วเลืออยู่หรือว่าไม่ต้องควนแตไปอยู่หรือว่าคแล้วไม่ต้องอยู่เราจะเป็นหนูจำพวกใดเจ้าอย่างหนูจำพวกไหนก็เอาสิเรื่องที่เราเป็นอยู่นี้ทุกคนมันต้องเป็นหนูจำพวกหนึ่งละ่ะไม่จะพวกไหนก็ต้องจะพวกหนึง่งแหะแต่ว่าจำพวกไหนไม่จะดีกว่ากัน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 ท่านอบรมตั้งสอนแลนรักษาจิตใจของเราให้อยู่ด้วยความสงบอบรมสมาธิภาวนาให้ได้ตลอดเวลาเรื่องมันคล่องแคล่แวแค่นี้ทํานานอยากให้มันเสื่อมได้มากเลน้อยอยาให้มันเสือนอนเส่อมอันนี้ถึงแม้ว่าเราจะไม่ควัดแต่เราหาที่อยู่ได้ก็ยังน่าวดีดีกว่าที่ไม่ควัดไม่อยู่เฉยเลยน้ำข้อน้นควัดแล้วไม่อยู่อันนั้นก็ก็ไม่ค่อยดีเลี้ยนรู้มากโมโลเลย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 พวกที่สองคือว่าเราไม่ได้ควัดวรู้อยู่แต่ว่าเราไปอยู่รู้ของเพิ่นก็นยังน่าว่าเป็นประโยชน์อันดียิ่งอยู่ดังนั้นทุกๆคนยองพากันสนใจโดยนอธิบายมานี้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติโดยอาศัยประม า, าทธรรมเป็นกรมประมาทก็าสามารถจะเห็นผลปรกฏ ป, ปรากฏขึ้นในตัวของตนดังอธิบายมา